พุทวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะได้เวลาที่รายการสรรนสมีสนทนาจะมาให้ความรู้ทางด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าทางสารีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็แล้วนะคะดิฉันสร้นสนีนาคพงศ์ดเ น, นินรายการค่ะมีพระมหาภบูบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีจะมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเรานะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนมัสการท่านพร้อมกับ เตรียมตัวที่จะปฏิบัติทำตามการนำของท่านกันก่อนเลยนะคะกลาวน้องสกังคะท่านคะเจียมพรานเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายๆคําคว่าปฏิบัตินั้นก็คือการกระทําโดยการให้เราจิตของเราตั้งสติขึ้นในการกระทําให้จิตมีสตินั้นพระพุทธเจ้าให้ใช้เครื่องมือที่เราทุกคนมีกันอยู่นั่นก็คือลมหายใจ ท่ได้ตรัสถึงเรื่องของอาณาปานาสติในเป็นฐานที่ตั้งของสติอย่างหนึ่งเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติคำว่าสตินั้นคือการระลึกได้ในที่นี้ก็หมายถึงการให้เรามาระลึกนึกถึงคิดถึงลมหายใจของเราการคิดถึงนึกถึงระลึกถึงลมหายใจนั้นโดยใช้ที่บริเวณทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือบริเวณโรงจมูกเรารับรู้ถึงสัมผัส ของลมได้ที่ตำแนหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งขึ้นไว้นะที่ตำแหน่งนั้นแน่นอนเวลาที่เรามารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้บางทีมันก็มีความคิดนึกสิ่งอะไรต่างๆผ่านเข้ามาบ้างเสียงบ้างความรู้สึกทางแขนขาหรือว่าอุณหภูมิในห้องต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจบางทีจิตเรามันอาจจะแบ่งภาคไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งอื่นด้วยความคิดด้วยแต่ก็ให้มีภาคหนึ่งที่ไม่ลืมหลงลม พระบเจ้าเปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดะจะมีลิงมีสุนัขจิ้งจอกมีจระเข้ที่เขาผูกเอาไว้ด้วยเชือกเหนียวแล้วก็เอาปลายข้างหนึ่งเนี่ยมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักแน่นอนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันพยายามที่จะวิ่งดึงกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันเหมือนกับตาของเรามันก็จะพยายามที่จะไปเห็นรูปหูของเรามีเสียงมากระทบ เราก็จะได้ยินเสียงคุณโนภูมิที่เรารับรู้ผ่านทางผิวกายมันก็เข้ามาทางกายอันนี้เป็นช่องทางที่จิตของเราจะโผล่ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกได้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันก็จะไปในป่าช้าลิงมันก็จะเข้าปา่างูก็จะเข้าไปในจอมปลวกจิตของเรามันจะแสสายวิ่งพุ่นไปตามช่องทางทั้งหก่างนี้เราจะให้มันนิ่งตั้งขึ้นเป็นสติมีสมาธิเป็นรมันเดียวได้ เราจึงต้องตั้งสติขึ้นสติในที่นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้ก็คือเสาที่มีความมั่นคงแข็งแรงฝังไว้แน่นอย่างดีใ น, นทำมุม90องศากับพื้นดินสตินี้ก็ต้องทําให้เป็นอย่างนั้นแต่นี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดในครั้งแรกสตินั้นอาจจะยังไม่ได้มีกําลังเต็มที่ถ้าเปรียบเป็นเสาก็อาจจะเป็นเสาไม้ซีก ปักอยู่บนดินเลนถ้าเป็นอย่างนี้เวลาที่มีอะไรมากระทบหรือว่าสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมันดึงไปเนี่ยเสาบางทีมันอาจจะลม้มหรือว่าเชือกอาจจะขาดได้อันนี้คือลักษณะที่เราลืมลงลมหายใจไปละแต่เราจะทำเสาของเราให้มีความมั่นคงเหมือนอย่างเสาหินเสาเกลือเสาหลักได้ก็ฝึกในการที่จะตั้งมันขึ้นบ่อยๆจิตของเรานั้นถ้าบอกว่ามาตริตรึกไปในเรื่องใดจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น จิตเราน้อมไปในทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีกําลังขึ้นมาถ้าจิตของเรามาอยู่กับลมสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสติก็จะมีกําลังมันก็จะค่อยๆพัฒนาจากเสาที่เป็นเหมือนไม้ซีกบากอยู่บนดินเลนก็จะเป็นเสาที่เป็นเสาหินบากอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงทํามุม90องศากับพื้นดินเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจิตของเราเนี่ยทายเทเอียงเทโน้มเอียงไปในทางไหนแต่อยู่ที่ว่าเราฝึกเรากระทํา การฝึกการกระทำนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกในขณะที่ฟังรายการนี้ไปด้วยก็ได้ฟังธรรมะไปหรือว่าทําสิ่งอื่นๆไปฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะด้วยการใช้ลมหายใจก็ตามสตินี้จากลมหายใจก็มีสตินี้จากการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุาสติก็ได้สติจากการที่เราทําการงานเรามีจิตไม่วอกแวกเอาใจใส่กับการงานนั้นเป็นจิตอธิษฐานการงานก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้ หรือว่าในขณะที่เราพูดอยู่จิตเราอยู่ในเรื่องที่พูดนั้นไม่ได้คิดบอกว่าไปในทางอื่นนี่ก็ทําเป็นสติที่เราฝึกได้ซึ่งการฝึกการฝนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกระทําอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอให้มีกําลังใจว่าส่วนที่ทําได้มันก็มีเดีย๋ยวเราฝึกปฏิบัติมา5นาทีสิบนาทีเนี่ยเร า, า จ, จะทําได้สัก 2- อสมวินาทีอันนั้นคือดีละเมื่อเราทําได้ 2- อสมวินาทีตรงนี้จิตของเราเอาไปจ่อตรงนี้ให้มาก สอวินาทีนั้นมันก็จะค่อยๆข ย, ยายเพิ่มขึ้นเป็น2องนาที5นาทีเราฝึกทําไปปฏิบัติไปก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้การฝึกปฏิบัตินี้ก็ให้มีกําลังใจในการปฏิบัติกําลังใจนั้นคือความเพียรการทําจริงแต่ฟังรายการธรรมะเนี่ยจะทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติได้แล้วก็ให้ปฏิบัติกันต่อไปจชิญรุ่นานส่วนทุกค่ะจริงๆในเรื่องของการปฏิบัตินะก็อยู่ในวดวงของผู้ที่ฝ่ายปฏิบัติ กันเป็นจนํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอืบางท่านก็สอนด้วยดตฉันได้ยินคํากล่าวที่ว่าถ้าหากเราอยากจะให้กระบวนการในการฝึกปฏิบัติง่ายขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องหาเวลาที่ดิกเบนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบอืก็สามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งแล้วก็จะเดินมรรคได้ครบทั้งแปดด้วยด้วยวิธีการทิ้งความคิดออ ดิฉันเองก็มีความสงสัยนะคะเหมือนกับว่าทราบว่าในกระบวนการที่จะบรรลุธรรมที่บอกว่าจะต้องอมีองค์ธรรมในการตรัสรู้ทั้งเจ็ดถูกไหมคะใช่ใช่ก็คือพหชงเจ็ดแล้วก็หนึ่งในพหชงนั้นอยู่ในพหชงต้นต้นด้วยก็คือธรรมะวิจยะสามพหุชงทีนี้พอบอกว่าทิ้งคิดเรีนเข้าใจว่า ธรรมะวิจยาคือการใครควรทำใช่ถูกต้องแม้าจาประกอบด้วยการคิด uh huh. อย่างนี้แล้วะจะเท่ากับว่าเป็นวิธีที่ไม่ผ่านการใช้ธรรมะวิจยาย่อมไม่ถูกหรือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วในนั้นมีธรรมะวิทยะ uh huh. อยู่จึงอยากทราบว่าการทิ้งคิดเนี่ยเป็นภาษาแบบเราๆง่าย ใช่การปฏิบัติธรรมหรือไม่คะโอเคคําว่าทิ้งคิดเนี่ยอันนี้คือคุณโยมติวได้ยินมาจากที่คนเขาพูดกันถูกไหมอันนี้จริงๆแล้วจ ะ, ะไม่ได้เป็นพุทธพจน์นะอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์ที น, นี้ถ้าบอกว่าเรามาพิจารณาตรงนี้คําว่าคิดก่อนนะคำว่าคิดเนี่ยนะในภาษาไทยคือในภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าหลา ย, ลายๆคําอยู่เช่นคําว่าดําริก็ใช้คําว่าวิตกวิจารณก็ใช่แต่คำว่าสังขารในการปรุงแต่งความคิดไปในเรื่องนั้นๆ บางทีก็ใช้คํานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าความคิดเนี่ยเราก็ต้องมาแยกแยะ ก, ก่อนว่าคิดแบบไหนแตนะถ้าคิดเป็นคําพูดแบบนี้ก็มนะีคือคนเราบางทีคิดเป็นคําพูดใช่ไหมเราจะตอบเขาว่าอย่างนี้หรือบางทีเราก็คิดเป็นรูปภาพอยนะเช่นถ้าพูดถึงน็อตตัวใหญ่กับน็อตตัวเล็กอันนี้เราคิดเป็นรูปภาพลนะหรือคิดถึงพ่อกับแม่นะเราจะไม่ได้กินพอพนันไม้เอกอออ่าอย่างนี้แต่ว่ารูปหน้าพ่อหน้าแม่เราจริงๆรนะิอันนี้คือคิดเป็นรูปภาพแบบนี้ก็มี หรือบางทีการคิดเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องมาใคร่ครวญพิจารณาเป็น1เป็น2แล้วออกมา3ได้ผลลัพธ์เป็น4อันนี้ก็บางทีก็ไม่เป็นอย่างนั้นบางก็ปรู๊ดขึ้นมาเลยแต่ทีนี้เราจึงต้องแยกแยงตรงนี้ก่อนคําว่าทิ้งความคิดเนี่ยนะคำว่าทิ้งความคิดจริงๆแล้วในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอสมาธิส่วนที่เป็นความคิดเนี่ยมีนะเช่นในฌานที่หนึ่งที่ท่านบอกว่ามีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเนี่ยคำว่าวิตกวิจารก็ ค, คือคิดเรื่องที่มันดีๆ เพรนั้นทบทพยัญชนะที่จะเนี้ยบที่จะสอดคล้อง ก, กันกับในทางการปฏิบัติเนี่ยก็คือให้รู้จักแยกแยะความคิดก่อนแต่ก่อนที่คุณจะทิ้งคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรทิ้งอะไรเอาก็ต้องแยกแยะ ก, ก่อนแต่ว่าเอออันนี้มันไม่ดีอันนี้ให้ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ทิ้งสิ่งที่ดีๆเอออันนี้ก็แยกไว้ว่าสิ่งดีมันก็คิดได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือกรณีที่1 น, นะว่าไม่ใช่ว่าเหมารวมเอาความคิดทั้งหมดว่าไม่ดีแล้วทิ้ง ต้องแยกแยะว่าอันไหนดีเก็บไว้ได้อันไหนไม่ดีทิ้งไปอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2คําว่าวิจือการไคร่ครวนคําว่าไคร่กลวนในคุณโยมติว๋วอาจจะไม่ได้ว่าเป็นการไคร่กลวนที่แบบโอ้ต้อง1 2ึ่คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นห ร, ห, รหรือจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเช่นว่าเราจะวางกายของเราได้ก็ต้องพนะิจารณาผมคนเล็บฟันหนังว่ามันเน่าอย่างนี้เหม็นอย่างนี้อันนี้คือการไคร้กรวนอันนี้ก็ใช่ด้วย ในขณะเดียวกันบางทีเราทําความชํานาญได้รวดเร็วแล้วเนี่ยมันก็จะปลืดเลยลคือมันไม่ได้มาคิดเป็นขั้นเป็นตอ น, ม, นมันปลืดเลยมันได้เลยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่ท่องสุดคูณแม่นแล้วเนี่ยเจ็ได้เท่าไหร่ก็ตอบพวเลย32เอา้ามันพิด7จ็ต้อง28อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราคล่องแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่คล่องเนี่ยก็เจ็ดมาบวกกับ7ก่อนนะแล้วก็ไปคิดอย่างนี้ซึ่งความไข้ครวนของเขาเนี่ยก็จะช้า ความคำว่าแคร่ครวนช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความชํานาญความชนานาญนี้ขึ้นกับอะไรขึ้นกับพลังสติและพลังสมาธิถ้ามีพลังสติมีพลังสมาธิน้อยคุณก็ต้องใช้ใเวลาในการแคร่ครวญ น, นานเปรียบเหมือนกับว่าคุณยังจําสุกูลไม่ได้อ่ะก็ลองมาบวกกันก่อนนับนิ้วด้วยแต่ บ, บวกได้อย่างไม่คล่องแต่ถ้าคล่องแล้วแล้วก็ปลุกเลยก็เช่นเดียวกันกันกบว่าเรามีกําลังสติมีกําลังสมาธิที่สูงแล้ว แม่เห็นคนหล่อหรือสวยเนี่ยมันเป็นอสุภะทันทีแต่มันเห็นเป็นอย่างนั้นเบื่อเป็นโครงกระดูไปโอ้นี่เขาใคร่ครวญเหตุตามที่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในองค์แห่งโพชฌงโพชฌงคือองทำแห่การตรัสรู้ธรรมเนี่ยคนที่จะมีการใคร่ครวนธรรมคือธรรมวิจยะได้เนี่ยพระบรมเจ้าก็บอกว่าคุณต้องมีสติก่อนนะบุคคลที่มีสติแล้วเนี่ยจะมีการใคร่กรวนธรรมนั้นด้วยปัญญา มันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเรามาดูในรายละเอียดนะคือคือคนที่เขาตั้งสติขึ้นได้เนี่ยอย่างเช่นตัมบูฟังที่มีสติอยู่รหมัยใจเนี่ยเวลามีสติปุ๊บเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้วิ่งพวดเข้าไปหาเกลือยกลัวในสิ่งที่น่าพอใจมันจะแบบแยกกันออกมาได้นิดหนึ่งหรือมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบเช่นร้อนบ้างคนด่าคนว่าบ้างจิตมันก็จะไม่แบบพุ่งวิ่งหนีไปทันทีมันก็ยังมีสติ อยู่เนี่ยฟังรู้ว่าเออมันไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกขยะขยงอะไรมันแยกกันไปแต่ลักษณะที่ไม่ได้พุ่งก็ไปหาไม่ได้วิ่งหนีเนี่ยคือคุณมีสติละสติคุณมีกําลังละมีกําลังที่ถูกต้องละมันก็สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นตามเนื้อผ้าได้นะคือเอาทางตรงกันข้ามกันแต่ถ้าที่เห็นไม่ได้เนี่ยก็คือคชอบชอบนี่ก็จะเห็นแต่ด้านดีอย่างเดียวโอ้มันดีอย่างนั้นนะสวยอย่างนี้นะน่าทำํำน่าซื้อนะก็จะลําเอียงไปนะในขณะที่ ถ้าผอไม่ชอบไม่ชอบมันก็จะขยะดขยงเกลียดชังไม่พอใจมันก็จะมีความหากักคติว่าอยมันไม่ดีหรอกอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้คือคุณจะไม่เห็นตามจริงเห็นแต่แง่ลบของมันแต่คนที่เขาตั้งสติได้ไม่วิ่งเขาา้ามาไม่วิ่งหนีเนี่ยเขาก็จะเห็นตามเนื้อผ้าได้ลักษณะาาการเห็นตามเนื้อผ้าเนี่ยมันคือการใคร่ครวนธรรมที่ตามจริงแล้วคือเห็นตามจริงแล้วตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นอัตโนมัติไปเพราะฉะนั้นในประเด็นที่สองที่เรามาพูดถึงก็คือว่าการไข้ครวนธรรมไม่ได้้จจําาเป็นว่ะตองแบบ คิดเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแบบนั้นก็ได้ น, นี่ก็มีแต่ถ้าเราทําดีแล้วเนื่องจากสติเรามีกําลังสมาธิเรามีกําลังมันก็ปลื้ดเลยแต่มั น, นจะไม่ได้เป็นคําพูดหรือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาอย่างนั้นนะนี่คือกรณีที่สองเช่นปอนค่ะก็เท่ากับว่าทิ้งคิดเนี่ยเป็นการปฏิบัติได้ถ้าฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทิ้งทั้งหมดทิ้งเฉพาะความคิดที่เป็นอกุศลถูกต้องถูกต้อง อ น, นี้บทพ ย, ยัญชนะก็จะสอดคล้องกันด้วยนะคือทิ้งเนี่ยคำว่าทิ้งเนี่ยคือละทิ้งเนี่ยคือปะหาหนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้กับพวกตันหากับอกุศลเท่านั้นท่านจะใช้บทพ ย, ยัญชนะที่เนียบตรงนี้ค่ะ ถ, ถ้าเป็นพุทธพจน์ทิ้งคิดจะเข้ากับพุทธพจน์ว่าอะไรค ะ, ะก็ละตันหะละตันหา<ะ>อันนี้คือที่พระพุทธเจ้าให้ให้ทําคือการละตันหา ส่วนมาร์กเนี่ยถ้าเราพูดถึงสมาธิสมาธินี่ทําให้เจริญคุณต้องเจริญชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยชั้นหนึ่งมันก็คิดอ่ะเพราะมันจะค่อนข้างขัดกันถ้าบอกว่าทิ้งคิดอา้าวแต่ทําไมให้เจริญชั้นหนึ่งซึ่งชั้นหนึ่ง ม, มันมีความคิดอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็ต้องแยกแยะให้ให้อย่าไปเหมาแต่ว่าให้แยกแยะให้ถูกต้องกลกันค่ะเออแล้วถ้าเช่นนี้นะคะสามารถกล่าวได้ไหมคะว่าการทิ้งคิด กรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผ่านการเป็นผู้ที่เจริญสติแล้วอืมแล้วก็อาจจะไปสู่สมาธิของการที่รู้จักการเข้าฌานที่หนึ่งไปแล้วฌานที่มีความคิดนะคะก็เลยมีปัญญาอืมก็ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะอ่า ด, ดิฉันเข้าใจว่าท่านปฏิบัติกันมานานแล้วพวกนี้นะคะทีนี้อ่ทิ้งคิดที่ว่าเนี่ยเป็นการเดินมาก โดยเลือกเอามัดสัมมาสังกัปปะกล่าวเช่นนี้ได้ไหมคะไม่ได้การดำริไม่ได้เพราะว่าการดรําริชอบนี่คุณคุณมีความคิดแน่นอนพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าสัมมาสังกปปะเนี่ยมีในฌานหนึ่งสัมมาสังกปปะดับไปในฌาน2สัมมาสังกปะดับไปในฌานสองนะเพราะฉะนั้นถ้าบอว่าคุณบอกทิ้งคิดทิ้งคิดอันนี้ไม่ใช่เจริญสัมมาสังกัปปะแน่นอนคือคุณไม่เจริญสัมมาสังกปะแต่คุณกําลังเข้าฌาน2องกำลังเข้าฌาน2ไป งั้นถ้าถ้ากล่าวว่าการทิ้งคิดคือการเดินมั่กด้วยสัมมาสังกปะจึงไม่ถูกจึงไม่ถูกถูกต้งองคำว่า น, นี้จะไม่ถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าการทิ้งคิดแต่ว่าบอกการทิ้งคิดคือการเดินมั่กอย่างนี้ได้ไหมคะตรงนี้แหละจึงเป็นบทเพียนชนะที่มันจะคลาดเคลื่อนไงคุณหยู่ติวถ้าเราจะใช้คําว่าทิ้งพระพุทธเจ้าจะใช้ใชคําว่าทิ้งกับตัณหาคุณละตัณหาคุณทิ้งอกุศลธรรมคุณทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปอันนี้ให้ทิ้ง อ้าวมันก็ต้องกลับมาตรงนี้ว่าเออแล้วฉันจะทิ้งฉันจะทิ้งยังไงคุณก็ต้องตั้งสติขึ้นการเจริญสติเนี่ยเป็นคําที่พระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าเจริญท่านจะรัดกุมมากนะบทพยัญชนะนะสมมติว่าคุณจะทิ้งคิดคุณต้องเจริญสติไงคุณต้องเจริญสติคุณจะทิ้งจะทิ้งความคิดได้อันนี้บทพยัญชนะที่ว่าเจริญสติเนี่ยเป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าจะเลือกใช้ถ้าท่านจะใช้คําว่าทิ้งท่านจะใช้คาว่าทิ้งตัณหาละตัณหาและอกุศลธรรมเพราะว่าถ้าเราบอกวว่าาทิิ้งคคมด มันก็จะไปปนปนตีตีกับเรื่องของสมาสังกปะแล้วแล้วสมาสังกปะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะมันก็จะตีกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เบทเพรญชนะให้ให้รัดกุมว่าเออทิ้งความคิดใช่ไหมอาจใช้รัดกลุมก็คือคุณก็เจริญสติคุณถึงจะรู้ว่าอะไรทิ้งอะไรเก็บและถ้าทิ้งจริงๆต้องละตันหาทีนี้ในะระหว่างที่คุณละตันหาเจริญสติเนี่ยคุณจะทําความเข้าใจกับขันห้าดได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่า เออทิ้ความคิดที้ความคิดแล้วจะเห็นการเกิดดับของรูปนามขันห้าอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้บอกว่าเห็นการเกิดดับของรูปนามขันห้าเนี่ยคือคุณทําความเข้าใจในขันห้าให้ชัดเจนว่ามันมีการเกิดการดับนะอ่าแล้วคุณจะเห็นความชัดเจนตรงนี้ได้อย่างไรคุณก็ต้องละไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคุณก็ต้องตั้งสติขึ้นเจริญสติขึ้นอะไรนี่มันจะสามอย่างเนี่ยจะรัดกุมกันค่ะเรียนจึงเข้าใจว่าสงสัยวิธีการ อธิบายอาจจะใช้ถ้อยคําที่ไม่ถูกต้องตามคาาาําสอนของพระศาสดาเป็นการใช้คลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยนะคลาดเคลื่อนอจากคําสอนของพระศาสดาอืแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัตินี้อาจจะปฏิบัติกันถูกต้องอยู่ก็ได้ก็คืออาจจะเป็นผู้ที่อมีความตั้งใจที่จะอยู่บนหนทางของการที่จะเจริญในธรรมมากขึ้น ม, มากขึ้น จนอาจจะมีเป้าหมายว่าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใช่แล้วก็เลือกวิธีที่จะทิ้งคิดนะคะเพราะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องคือต้องเป็นอกุศลอันนี้ดิฉันพยายามอ่าจะจะย ก, ยกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมใช้วิธีนี้ได้ไหมสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจแล้ว นะคะจากที่ฟังท่านเพียบูนบ้างหรืออาจจะศึกษามาก่อนบ้างว่าเอาล่ะถ้าจะปฏิบัติตามคําสอนของพระาศาสดาท่านเพบูรณ์ได้เราฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่ตอนต้นของเราที่เรียกก็เป็นการเจริญสติก็ถือว่าเมื่อเราเจริญสติได้แล้วก็จะทําให้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นั้นเกิดขึ้นเป็นลําดับต่อๆมาได้หรือว่าจะทําให้การที่จะปฏิบัติตามมัก นั้นเกิดสมบูรณ์ครบถ้วนขึ้นมาได้อืมถูกต้องถูกต้องถูกต้องอา่ามีคําถามในในวงสนทนาของดิฉันในวงนี้เลยนะคะเจ้บาลก็ถามมาว่าธรรมะทั้งหลายเป็นเครื่องปรุงแต่งด้วยกันทั้งหมดอืมธรรมวิจยะก็เป็นการใกร่ครวญที่อาศัยเครื่องปรุงแต่งเช่นกันถูกต้องปรุงแต่งแน่นอนแม้ การทิ้งคิดก็ได้รับคําตอบว่าการทิ้งคิดเห็นมากด้วยสัมมาสังกัปปะที่ท่านเพียบุญบอกว่าไม่ใช่อ่าเพราะในสัมมาสังกัปปะยังมีความคิดใช่ถูกไหมคะใช่เอแม้สุดท้ายตัณหาทิฏฐิมานะก็อาศัยความคิดอันนี้ถูกไหมคะคากล่าวนี้อืมไม่แน่นคือบมานะก็อาศัยความคิดคือบางทีคนทําชั่วมันไม่ต้องคิดอ่ะคนทําชั่วเนี่ยนะ มันฆ่าเลยมันรักเลยไม่ต้องคิดมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีคือคือถ้าเราจะดูฝั่งตรงข้ามนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสัมมาสังกัปะเนี่ยดำไปในฌานสองใช่ไหมสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิกับมิจฉาสังกปปะก็มีอาถ้าคุณไม่มีดําริในทางความชั่วคุณจะทําชั่วได้เลยก็ได้ก็มิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็เป็นอย่างนั้นมันมันมีอยู่ในทางตรงข้ามกันนะค่นะและ ในความเข้าใจคราวนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่ได้จับเอาวิธีการนี้มาใช้ก็าจจะบอกว่าหลังจากที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ได้พบว่าแม้กระทั่งในการที่ปฏิบัติสัมมาสมาธิที่จะต้องมีชาญนหนึ่งชาญนสองชสามชนสี่แล้วก็จะมีความก้าวหน้าไปจนกระทั่งถึงชาญนที่สี่ซึ่งเป็นอุเบกขาถูกคะใช่ใช่จ แล้วก็สุดท้ายแม้อุเบกขาก็ต้องทิ้งดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรถ้าคุณจะเหมาว่าคุณจะทิ้งทั้งหมดแล้วจะเอาอะไรเป็นหลักการก็จะไหมเราจะอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติเราก็จะคิดว่างั้นฉันไม่สนฉันก็นอนเฉย แล้วก็ไม่เก็บผ้าแม่อะไรก็ทิ้งหมดมันมันคำนี้จึงเป็นคำํคำคากลั ม, กมไงทีนี้มันเป็นไงคุณยมติวดมาเข้าใจอยู่ว่าคนที่เขาอธิบายอย่างนี้เขหมายความว่าไงคือวิงีเราปฏิบัติไปทําสมาธิไปเนี่ยมันมันเวิร์กกับเราเราแบบแม่จิตใจสงบสบายด้วยวิธีนี้อ่ะปรากฏการเนี้ยเกิดในใจของผู้นั้นปรากฏการนี้ก็อาจจะเกิดในใจของท่านผู้ฟงงังเกิดในใจของคุณยมติวดเกิดในใจของอัตมาใช่ปะทีนี้ว่าไอไอปรากฏการตรงเนี้ยที่เกิดขึ้น ใ, ในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยเวลาแต่ละท่าน เกิขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยอาจจะเหมือนของพระพุทธเจ้าด้วยในจิตของท่านก็เกิดแบบนี้แต่าการกําหนดบทเพียนชนะที่ออกมาอาธิบายอาการของจิตตรงนี้อาจามาอาจจะพูดอย่างหนึ่งคุณโยมตีก็พูดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังก็พูดอย่างหนึ่งคุณคนนี้ที่เขามีประสรบการณ์นี้เขาก็พูดอย่างหนึ่งไอคําที่พูดองแต่ละคนแต่ละคนออกมาเนี่ยมันจะส่วนที่เหมือนกันก็มีส่วนที่ไม่เหมือนกันก็มีตรงนี้นะจึงมีผู้ที่กําหนดมาตรฐานตรงนี้ออกมา มาตรฐานที่กําหนดออกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันเป็นคําพูดที่ไม่ผิดลงรับกันตลอดนั่นคือพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเอาบทเพียญชนะเราต้องกลับมาที่แม่บทคือบทเพียญชนะของพระพุทธเจ้าก่อนตัวนี้ก็การแล้วอาการที่ท่านเกิดขึ้นในจิตของท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านอธิบายด้วยบทเพียรชนะของท่านย่างี้ออกมานะเออตรงนี้มันสอดคล้องกับจิตของเราอย่างนี้ตรงนี้สอดคล้องกับจิตของท่านผู้ฟังอย่างนี้อย่างเงี้ยโอตรงนี้คําพูดนี้อธิบายอาการจิตของเราได้อย่างนี้อย่างนี้ อาแต่บางทีเรากําหนดเปลเป็นชนะคลายเคลื่อนไปจากที่กําหนดแหมบางทีเราก็ใช้คําไม่ถูกเนี่ยนะแต่ท่านจะเนืยบเรื่องคําพูดมากประบรรจ้ารของเรานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่เาจมาบอกกันตั้งแต่แรกเลยว่าคําว่าทิ้งเนี่ยท่านจะใช้กับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเท่านั้นแต่บาลีคือปะหานะปอปาหอหีบสลานนูเนี่ยจะใช้คํานี้เท่านั้นจะไม่ใช้กับกู้ศรธรรมไม่ใช้แต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมท่านจะให้ทาอะไร ให้เจริญให้เจริญที่คุณโยมติวเมอร์สุครูบอกว่าไอ้พวกโพชงอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งถูกต้องเป็นสังคต ธ, ธรรมมันเป็นสังคต ธ, ธรรมแน่นอนศีลเป็นสังกตธรรมสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นสังกต ธ, ธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งต่างนั้นแต่ธรรมที่มีการปรุงแต่งอันนี้นะทําให้ตัณหามันละไปถ้าเราจเจริญโพชงจเจริญสติตัณหาจะค่อยละไปละไป แตในขณะที่เราเปรียบเทียบเช่นไรเปรียบเทียบถ้าเราไปเจริญอันอื่นๆที่ไม่ใช่มรรคตัณหาอาจจะเจริญขึ้นได้เช่นไรคุณกินมากคุยก็ปรุงแต่งไปสิว่าจะทําอาหารให้มันอร่อยอย่างนี้ จ, จะนอนสบายอย่างนี้ขี้เกียจไปงี้คุณไปเจริญสิ่งนั้นมากเนี่ยตัณหามันกลับเจริญขึ้นอันนี้แสดงคุณปรุงแต่งไปไม่ถูกทางแต่ถ้าเราปรุงแต่งมาในทางติดธรามจิตให้เป็นสมาธิไล่มาจากไหนล่ะเอาจากขั้นที่1น่งอาคิดเรื่องที่ไม่ดีทิ้งไป เอาขึ้ที่เรื่องดีๆไว้เอราพอเจริญมากๆเราเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีนะเราเห็นโทษของฌานสมาธิตรงนี้มันมีโทษอยู่สิ่งที่ดีมีเราเอาสิ่งที่ดีกว่านั้นในการที่เราเอาสิ่งที่ดีกว่านั้นหมายความว่าเราเจริญสิ่งที่ดีกว่านั้นไปปุ๊บปัญหาที่มันจะไปอยู่กับไอ้ความสิ่งที่ดีตอนแรกมันจะล้าไปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมเพราะว่าจิตที่มันเจริญสิ่งดีๆเนี่ยเราก็อยากทําความดีความอยากนี้มันก็มีถามว่านั้นไม่ใช่ตานา มันใช่ตัณหาเต็มๆแต่พอเราเห็นโทษว่าเฮ้ยของดีมีกว่าเว้ยโทษมันมันมีงั้นเราเอาของดีๆกว่าปุ๊บมันจะละไปโดยอัตโนมัติตรงนี้เป็นความเป็นอัตโนมัติที่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบจึงเรียกว่าเป็นมรคเป็นการปรุงแต่งแน่นอนมรคทั้งหมดเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทําให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงตรงนี้นะคำที่พระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้จึงใช้คําว่าวิราคาคําว่าวิราคาเนี่ย ที่บอกว่าวิราคะเป็นยอดแห่งสังกัตธรรมเป็นยอดแห่งสังกตรธรรมเพ ร, ร, ร, ร, ราะอะไรเพราะในขณะที่เราเจริญตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาไปใช่ปะเอชันทำความดีมาฉันไม่พูดโกหกอ่าฉันทําดีขึ้นฉันไม่ฆ่าสัตว์ไปเงี้ยในเส้นทางที่เรากําลังเดินไปเนี่ยคุณละสิ่งที่ชั่วๆได้คุณไปทําสิ่งที่ดีๆคุณทําสิ่งที่ดีๆได้ขึ้นไปอีกสิ่งนั้นคุณปล่อยวางได้การละลงไปเป็นลำดับๆตรงนี้คือวิราคะเส้นทางที่มันกําลังไปไปเนี่ยคือมรค เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทําให้ตัณหาเนี่ยค่อยๆลดลงไปลดลงไปลดลงไปกระบว น, นการนี้คือวิราค่ะวิราคะวิราคะจะไปถึงไหนอ่ะจนมันราบเรียบหมดเย็นหมดนันก น, นิพานที่มันค่อยๆดับไปทีละขั้นๆนันกนิพานเหมือนกั น, น, น, น, กนทีละขั้นละั้นจากความชั่วมันดับไปเนี่ยนันก น, นิพานของความชั่วแตความคิดดับไปก็ในกนิพานของความคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เขาทําได้ยินว่าเออฉันทิ้งความคิดแต่เขาอาจจะมี2กรณีนี้ก็คือว่า เขาเขาไม่คิดพอไม่คิดปุ๊บเขาได้ฌานสมาธิในขั้นที่สูงขึ้นไปเออ น, นี้ก็แสดงว่าเขาผ่านไปแล้วแต่นี้ก็ต้องระวังนะว่าคุณทําขั้นหนึ่งให้มันมั่นคงหรือเปล่าแต่ถ้าทำขั้นหนึ่งให้ยังไม่ได้มั่นคงเนี่ยมันจะเหมือนกับแม่บัวที่โขโพภูเขาอะนะถ้าเหยียบที่ตัวเองยืนอยู่ไม่มั่นคงแล้วไปก้าวต่อไปเนี่ยบางทีมันล้มคว่ำได้แต่ถ้ามั่นคงดีแล้วคุณจะก้าวไปตรงนั้นก็ได้แต่เพราะฉะนั้นการกําหนด บ, บทเพลงชนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่า ชั้น2หรือชั้น1ก็ตามเป็นบาทฐานให้เกิดการปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเราบอกเรา็ต้องทิ้งชั้น1เราก็ต้องทิ้งชั้น2บทพ ย, ยัญชนะมันไม่เนียบเอาใหม่แต่เป็นบาดฐานให้เกิดการปล่อยวางได้อันนี้คือบทพยัญชนะของพรนะุทธเจ้านะเป็นบาทฐานทําไมถึงเป็นบาดฐานได้เพระาะว่าถ้าเราจะทิ้งเนี่ยคือการที่เราจะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นกุศลธรธรมอ่ะถ้าจะพูดบทพ ย, ยัญชนะของเขานะคือคุณจะทิ้งสิ่งที่เป็นกุศลธรรมใช่ไหม คุณต้องเห็นตามจริงก่อ น, นคือถ้าไม่งั้นไอการทิ้งนั้นน่ยมันเป็นการไม่รับผิดชอบเป็นโมหะแต่มาทิ้งแบบเป็นโมหะ ก, ก็มีนะคุณโยมติ๋วแบบฉันไม่รับผิดชอ บ, บฉันไม่แข่ไงนะอันนั้นแบ บ, บโมหะเต็มเตมใช่ไหมแต่กระบวนการการที่วางโระชาใช้คําว่าละวางเนี่ยวิราคะเนี่ยคือคุณต้องเห็นตามจริงก่อนคุณเห็นตามจริงแล้วคุณจะหน่ายหน่ายแล้วจะคลายกําหนัดคลายกําหนัดแล้วนี่แหละมันจะปล่อยวางได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราหมายถึง ด้วยปัญญาชัดเจนเนอะไม่ใช่ว่าโมหะนะแต่เป็นยาจากการเห็นตามที่เป็นจริงคุณเห็นตามที่เป็นจริงเพ ร, ะราะอะไรกูจิตุณมีสติมีสมาธิมามีศีลมาไปตามกระบวนการนี้นี่คือเส้นทางเป็นมากค่ะเนอะโอเคค่ะงั้นเิฉันเข้าใจว่าเรื่องบทเพียญชนะเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอืถ้าประกันความเสี่ยงใช้บทเพีัญชนะพระพุทธองค์ดีกว่าใช่เพราะจริงแล้ ว, ลวาอาจจะยังปฏิบัติ อาจจะปฏิบัติถูกต้องอยู่ก็ได้<ช>เพราะที่ทนเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติมานานแล้วนะคะแล้วก็มาถึงทางที่คิดว่าเป็นทางยออ่อแล้วก็สรุปบอกกับคนอื่นเพียงแต่ว่าให้คนอื่นน่ยตามไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติมาเท่ากันอย่างนั้นก็จะเป็นได้นะคะเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็ที่บอกว่าทิ้งคิดเป็นการเดิน่าสัมมาสังกปะที่ท่านบอกว่าไม่ใช่เนี่ยดี่ท่านยังคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะ อในการปฏิบัติไม่ผิดแต่บทพยัญชนะไม่ครอบคลุมอ่าอา จ, จเป็นไปได้ว่าที่ทําอยู่นี่คือทิ่ทงความคิดที่เป็นอกุศลในสัมมาสังกัปถู ก, ก, ถกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าเขาพูดให้รัดกลุ่มตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้คือใช่เลยคุณละมิชฉาสังกัปปะแล้วเจริญสัมมาสังกัปปะนั่นคือมรรคเลยถูกต้องเลยค่ะอืดังนั้นสมมตินะคะอันนี้ดิฉันก็ด้วยความเคารพ เพื่อนผู้ปฏิบัติของดิฉันเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เขาปฏิบัติมากกว่าดิฉันเยอะนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ใไหนๆมาสนทนากับท่านได้ความรู้มากขึ้นมาและเพื่อประกันความเสี่ยงในกรณีถ้าติฉันอยากจะบอกตัวเองแล้วก็บอกกับคนอื่นที่ได้ฝึกปฏิบัติเจริญสติมาระดับหนึ่งแล้วว่าใช้วิธี ในลักษณะเกี่ยวกับที่เพื่อนๆเขาทําอยู่นี่เหมือนกันใช้พุทธพจน์ให้รัดกลุ่มที่สุดสั้นๆว่าอย่างไรดีคะท่านคะโอ้โหอืมก็ก็เจริญมรรคเอาถ้าพุทธพจน์เนี่ยเจริญมรรคมรรคเจริญได้ใช่ไหมกันใช้คำว่าเจริญใช่คำว่าเจริญถูกต้องเลยเจริญนี่คือภาวิตาภาวิตาคือภาวนาอ่าภาวนาคือแบบพัฒนาให้มรรคเกิดในใจหรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือเจริญสติ คุณเจริญสติอเจริญส ต, ออสติอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเป็นคําเป็นท่อยคําเป็นท้อยคําถูก<ค>ต้องเป็นเป็นเป็นบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าเจริญนี่คือภาวิตาคือภาวนาคือพัฒนาเนี่ยเป็นคำเดียวกันงั้นเจริญสติทุกคนก็เลยพลอยไปนึกถึงการที่ท่านนําให้รู้ลมหายใจอยู่ในตอนต้นรายการเพราะว่าในความในของคําว่าเจริญสติ สมมติเอาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเจริญอย่างไรบ้างคะถึงจะมีสห้แต่วันทั้งวันไม่เสียหายมีสติอยู่กับการงานหรือว่าเราจะพูดอย่างเงี้ยด่าเขาปุ๊บหยุดจ้าอย่างเงี้ยปุ๊บ <c oughs> หยุดปุ๊บเนี่ยคือคุณมีสติตั้งขึ้นเลยเจริญสติละหรือเขาพูดอะไรมาทําให้เราขัดเคืองใจเราก็ไม่คิดต่อไปตามอันนี้ก็ทิ้งความคิดอย่างที่เขาว่าได้นะทีนี้ถ้าเบอกว่าจะมาเฉพาะเจาะจงที่เขาบอกว่าทิ้งคิดทิ้งคิด เราก็จะบอกว่าละมิจฉาสังกปะอย่างนี้ก็ได้ละมิจฉาสังกปะนี่จะใกล้เคียงกับที่เขาหมายถึงด้วยดีกว่าทิ้งความคิดละมิจฉาสังกปะดีกว่าอืมใช่ละละละความคิดอักุศนได้ไหมคะคือทำให้ฟังง่ายขึ้นมาอีกอ่าใช่ใช่ละความคิดที่เป็นอกุศลอ่าถูกต้องได้อยู่ละการพยาบาทเบียดเบียนอืมใช่อย่างนี้ไหมคะถูกต้องถูกต้องละความคิดที่เป็นไปในทางการละความคิดที่เป็นไปในทาง รุสร้ายและความคิดที่เป็นไปนในทางเบียดเบียนถูกต้องค่ะนะค ะ, ะซึ่งถ้าท่านูฟังต้องการที่จะเป็นเป็นบทสรุปสำหรับการที่จะจำบอกตัวเองแล้วก็บอกผู้อื่นละมิจฉาสังกับปะละความคิดที่เป็นอกุศลก็ใช้ได้เยี่ยมมากถูกต้อง ะ, ะอ่าที่กราบเรียนถามท่านที่บอกเจริญสติเนี่ยก็จะ ทำให้เราเนี่ยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปนในทางที่เป็นตามมัตที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ mm hmm. ว่าเดินตามนี้แหละถึงแน่นอนคือทางพ้นทุกการพ้นจากความทุกข์แม้กำลังสนทนาเพลินๆเลย น, นะคะเพราะว่ากาลังจะได้วิธีการเอาไปใช้ด้วยก็มาถึงเวลาที่จะต้องลาซะแล้ว คงต้องการาบมรดกสการ์ขอบพระคุณท่านไปบุญไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้ก่อนนะคะเจริญบานเจริบา น, บานมรดกสารค่ะค่ะท่าน่าจารย์ที่ฉันยกตัวอย่างขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าผู้ที่เขาทาอยู่เนี่ยทำผิดเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคําในการสรุปการกระทําหรือว่าสิ่งที่ได้ดําเนินอยู่อย่างยังไม่รัดกลุ่มเท่ากับสิ่งที่พระพุทธองได้ตรัสไว้นะคะแต่ว่ า, าเราไหนไหนมีโอกาส ได้มาฟังว่าถ้าจะให้รัดกลุ่มที่สุดจะใช้อย่างไรแล้วจะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังรายการสันสนส น, นาโดยสันสนีหน้าพงทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 กันใหม่นะคะพระมหาภัยบุญอภิปุโนก็จะนำความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติมามาบอกเล่ากับพวกเรากันต่อไปค่ะวันนี้ลากันปเปลี่ยนเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ